กราบข อ, อกาสจากหลวงพวกคำเขียนครับกราบข อ, อกาสจากพระจันารย์รงศิลปพระจันารย์สุรินทร์แล้วก็ขอโอกาสจากเพื่อนสาธมิกเจริญพรมาพวกเราเนาะไม่ฉีญาติโยมก็รเราก็มาปฏิบัติธรรมกันก็ถือว่าเป็นวาลแรกเนาะของปีใหม่ก็ดีมากๆเลยการที่เราได้รับก็เรียกว่า โอกาสเนาะจากภายนอกตรงนี้ก็ดีมากๆเนาะเหมือนอย่างพวกหมู่พระเวลาบวชกันก็เราก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เนาะก็จากชื่อก็กลายเป็นฉายาศัพท์ที่พวกเราใช้ก็ใหม่ๆตรงนี้ก็เหมือนกับว่าทําให้เราได้เหมือนกับเออตั้งตัวใหม่ปีใหม่ก็เหมือนกันก็เป็นโอกาสที่ภายนอกมอบให้ให้พวกเราได้ตั้งตัวใหม่ตั้งตัวจากไหน ตั้งตัวจากการที่เราแบบมีชีวิตเอาทุกข์อสุขกันใช่ไหมฮะพอมีชีวิตเอาทุกข์อสุขกันก็ตรงเนี้ยเราก็ได้ทุกข์ได้สุขตามที่เราต้องการอันนี้ว่าพอเราตั้งตัวใหม่ทํำยังไงวันหนึ่งเนาะเมื่อสิบปีที่แล้วสิอปีที่แล้วไม่ใช่สิปีที่แล้วก็เห็นหลวงพ่อคำเขียนหลายคืนแล้วหลวงพ่อก็นั่งอยู่ในรถเนาะ ก็นั่งนั่งไปนั่งมาหลวงพ่อก็นอนนอนในรถก็ไม่ได้เมยอะไรเอ็นก็อี้ให้มันใช่ไหมฮะให้มันพอนอนได้นั่งตรงที่นั่งข้างคนขับหลวงพ่อก็นอนสังเกตอยู่หลายคืนตอนนั้นมาขับรถให้หลวงพ่อก็เราดูดูอยู่เออหลวงพ่อก็ทําอย่างนี้มาหลายคืนนะแล้วก็กว่าจะเข้ากุดก็ เ <c oughs> ดึกล่ะก็วันนั้นก็เลยเป็นนิมนต์หลวงพ่อบอกหลวงพ่อนิมนต์ขึ้นกุฏะครับอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็พอเราก็บอกเบาๆนะบอกเบาๆบอกเสร็จปุ๊บนะละหลวงพ่อก็ตอบเราทันทีเนาะว่าหลวงพ่อไม่ได้นอนเอาทุกเอาสุข <c oughs> ไม่ได้มีสะดุ้งตื่นไม่ได้มีอะไรยังไงนะหลวงพ่อก็ตอบเรา ทันทีด้วยด้วยด้วยภาษาเบาๆง่ายๆอนี้นนะว่าหลวงพ่อไม่ได้เอาทุกข์เอาสุขตรงนั้นเป็นสิ่งที่ได้ยินปุ๊บ ก, ก็เป็นเขาเรียกว่ามันก็แปลกหูนะเป็นครั้งแรกที่เราได้ยินแบบนี้ใช่ไหมฮะเออแล้วเราละ่ะเรากําลังเอาทุกข์เอาสุขกับการนอนไหมเรากําลังเอาทุกข์เอาสุขกับการกินไหมเรากําลังเอาทุกข์เอาสุขกับการเที่ยวไหม เอาทุกข์กับสุขกับการดูทีวีดูทํานูน่นทํานี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยตงทันเนี่ยคือนั่นนั่นคือสิ่งที่หลวงพ่อบอกถึงเป้าหมายของชีวิตเนาะถ้าเราอยากจะได้อะไรสักอย่างเราก็จะได้อันนั้นถ้าเราอยากเอาทุกข์เอาสุขเราก็ได้ทุกข์ไดสุขแน่นอนเลยเหมือนกับเวลาที่เราแบบตั้งใจจะหาคำผิดจากหนังสือเนาะจะมีมีคนบอกว่าเอา้า ตรวจคำผิดให้ทีนึ่งอย่างเงี้ยนะพอเราจะแม้นได้รับคําสั่งนั้นความตั้งใจของเราก็จะปรับตัวเราทันทีเปิดหน้าไหนก็หาคําผิดเปิดหน้าไหนก็หาคําผิดท้ายสุดเนาะก็แป๊บเดียวเราก็หาคําผิดได้ทั้งเล่มอย่างเงี้ยแต่พ่านถามว่าหนังสือเล่มนั้นเขาพูดเรื่องอะไรไม่ทราบนะแต่เราก็หาคําผิดได้เรียบร้อยแล้ว ตรงนี้เราจะเห็นนะนี่คือความตั้งใจพอความตั้งใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยชีวิตเราจะไหลไปตามความตั้งใจนั้นทันทีตรงเนี้ฮะเป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยได้ตั้งตัวกันใหม่การที่เราตั้งตัวกันว่าชีวิตของเราเนี่ยทำชฉไหนาการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ตรงนเนี้ยเนาะ ในคำที่เราสวดกันเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญว่าเราเนี่ยได้เคยตั้งใจจะเห็นที่สุดของกองทุกของเราไหมตรงนี้ถ้าเราตั้งใจอย่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นแต่ว่าตรงนี้เรามักจะทนไม่ได้เนาะทนไม่ได้ทนทุกข์อยู่ไม่ไหวตรงนี้ที่สำคัญแต่พระพุทธเจ้าอะทนได้ พอพระเจ้าทนได้เนี่ยอ๋อที่สุขของกอรุธมันก็เป็นแบบนี้นี่เองทุกมันก็ไม่มีอะไรตรงเนี้ฮะนี่นี่คือสิ่งที่มันเป็นความต่างกันเนาะเป็นความต่างกันชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราเคยมีความตั้งใจอะไรที่แน่วแน่สักอย่างหนึ่งไหมอะไรเงี้ยถ้าเรามีความตั้งใจที่แน่วแน่อย่างหนึ่งก็บอกว่าจะบุกป่าฟาดงก็ดี จะปีนเขาปีนแม่น้ําอะไรก็ดี อ, อย่างเงี้ยเนาะเราก็ไปถึงกันตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราเนี่ยได้เคยผ่านประสบการณ์ที่เหมือนกับตั้งใจจริงๆแล้วก็ได้พบสิ่งที่ปรารถนาแต่ว่าการเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นพิเศษกว่านั้นก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าพัฒนาชีวิตเนาะให้ไปถึงที่สุดเนาะเขเรียกว่า ให้ไปถึงที่สุดก็คือความไม่ทุก์เนี่ยที่พระเจ้าเนี่ยได้ทําเอาไว้ให้เราดูพระเจ้าก็เกิดมาเป็นคนเหมือนๆกับเราเนาะนนี้ว่าพอพระเจ้าตั้งใจความตั้งใจของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ได้เดินตามความตั้งใจนั้นไปแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยพระเจ้าก็ได้พบเนาะที่สุดแล้วพอพระเจ้าพบเนี่ยพระเจ้าก็บอกพวกเราการเดินทางเนี่ยก็ทางพระเจ้าเองก็ได้บอกเอาไว้ ถึงคำว่ามากักนะคำว่ามากักมักเนี่ยก็หมายถึงทั้งก็เรียกว่าถนนก็ได้เนาะหรือวิธีการเดินบนถนนเส้นนั้นก็ได้ตรงเนี้ยคำว่ามักเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าพวกเราเองก็อาจจะสับสนกันจริงๆมันก็น่าสับสนกันอยู่เนาะเพราะว่าพ อ, พอชีวิตพวกเราเนี่ยเอาทุกเอาสุขเนาะอยากเอาทุกข์เอาสุขอยากมีสุขเนาะ อยากมีสุขไม่อยากได้ทุกข์เลยต่างๆนา น, น, นาเหล่านี้เนี่ยชีวิตชีวิตเราเพิ่งเราเคยสังเกตไหมว่ามันวนๆอยู่มันวนๆเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเนาะเดี๋ยวก็สนุกเนาะเดี๋ยวก็ไม่สนุกเนี่ยเดี๋ยวก็แบบเขาเรียกว่าเดี๋ยวก็ไม่มีทุกข์ไม่มีโศกอะไรเดี๋ยวก็ปีใหม่ก็ล่าเริงอีกเดี๋ยวก็เอา้าเราก็เจอทุกข์อีกแล้วอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเคยสังเกตรหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่า ชีวิตของพวกเรามันวนๆพิกลวนอยู่เท่านี้เองวนอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นวัฏฏะเนาะมันเป็นวัฏฏะที่น่าสงสารเนาะมันวนไปวนมาวนไปวนมาหาทางออกไม่ได้ถนนที่เรากาลังเดินกันอยู่มันก็เป็นถนนที่เป็นวงกลมแบบเนี่ยมันหาทางออกไม่ได้ล้วพอพวกเราไม่คิดจะหาทางออกเพราะพวกเราคิดจะ เอาทุกข์เอาสุขเนี่ยพวกเราก็วนกันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ออกไปออกไปไหนไม่ได้แต่พูะเจ้าบอกว่าเออมันมีทางอีกเส้นหนึ่งเนาะที่มันเป็นทางตรงๆงมันมีการเริ่มต้นแล้วก็มีการจบลงนะอาจจะเริ่มต้นที่ทุกเนาะแล้วก็ที่สุดเนาะไปถึงที่สุดก็คือความไม่ทุกข์ความไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นเนาะว่าเอ๊ะทุกข์มันไม่มีนะทุกข์มันไม่มีพระเจ้าบอกอย่างนี้นะ นั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยพวกเราเคยสังเกตกันหรือเปล่าเนี่ยบางทีพวกเราก็ทุกเนาะกับการปวดท้องฉี่เนาะที่พวกเราก็ทนเนาะทนทนไปไม่มีโอกาสที่จะฉี่ไอ้ท้องฉี่ปวดการปวดท้องฉี่มันก็หายไปอย่างเงี้ยเนาะบางทีพวกเรานั่งปฏิบัติธรรมกันก็ปวดเมื่อยเนาะอย่างเงี้ยพอพวกเราทนทนไปไอ้ความปวดเมื่อยความเดือดชามันก็หายไปอย่างเงี้ย ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าเองก็สังเกตสังเกตมาเพราะฉะนั้นคือพระเจ้าถึงได้บอกบอกว่าลองลองมาเดินเส้นทางนี้ดูกันถ้าชีวิตเราเนี่ยเดินบนเส้นทางตรงเนาะที่พระเจ้าได้แนะนำเอาไว้เนี่ยเนาะว่าเดินเนี่ยการเดินบนเส้นทางนั้นจะทำยังไงบ้างเราก็ททำตัวเนาะทำตัวอย่างที่พระเจ้าบอกเนอะอาะแต่ว่าคิดให้ถูกนะเห็นให้ถูกนะทำงานให้ถูกนะพูดให้ถูกนะ ใช่ไหมฮะทำสมาธิให้ถูกนะทำสติให้ถูกนะอะไรต่างๆ น, น, ๆนานาเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าบอกว่าลองทำตัวแบบนี้แบบนี้ดูการที่ทำตัวแบบนี้ะ่ะมันจะทำให้เหราเนี่ยได้เดินบนเส้นตรงแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่ทำตัวแบบนี้เนี่ยเราก็จะเดินบกไปวนมาเนาะบนไปวนมาบนไปวนมาอยู่ไม่ได้นั่นคือตรงนี้เนี่ยพวกเราลองสังเกตดูนะพวกเราก็มีนิสัยกันนิสัยประจำตัวกัน นิสัยประจำตัวอาจจะมีแบบนั้นแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่านิสัยทั้งหมดเนี่ยพอเราตีแผ่ออกมามันก็จะกลายเป็นนิสัยที่เรียกว่าเอาทุกเอาสุขกันตรงนี้ละนั่นนั่นคือตรงนี้ถ้าพวกเราปรับเนาะปีใหม่แล้วก็ปรับความตั้งใจของเราใหม่ให้พวกเราเนี่ยเนาะลองปรับความตั้งใจว่าเราเกิดมาเป็นคนทั้งทีเนี่ยขอนะขอแบบว่าทำยังไงเนาะชีวิตเนี่ยถึงจะไม่ทุกข์ ตรงที่อ้างว่าพวกเรามีความตั้งใจอันนี้อยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเราก็อาจจะมีความตั้งใจเล็กๆน้อยๆที่ประกอบกันไปเนาะปีนี้เราจะทำงานให้ดีที่สุดปีนี้เราจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดอะไรก็ตามตรงนั้นก็เป็นความตั้งใจเล็กๆน้อยๆอยแต่ว่าความตั้งใจใหญ่ๆเนี่ยขอเราเนาะในชีวิตนี้เนาะทำยังไงให้เราเนี่ยแบบว่าไม่ทุกข์ทได้ไหมชีวิตนี้ไม่เสร็จไม่เป็นไรขอ ชาติหน้าอีกสักชาติหนึ่งชาตินน้นอีกสักชาติหนึ่งยังไงก็ตามขอให้เราได้ไปถึงจุดนั้นเถอะเนี่ยถ้าหากว่าพวกเราตั้งใจแบบนี้เนี่ยเนาะแบบชีวิตของเราเนี่ยเนาะก็จะเดินไปบนเส้นทางนี้แล้วก็ไปสุดเนาะตรงจุดที่ไม่ทุกเนี่ยเพราะว่านี่คือเราจะเดินบนเส้นตรงเราจะไม่เดินมกไปวนมาอีกเนาะตรงเนี้ยให้พวกเราเนี่ยได้ได้ลองตั้งใจแบบนี้ ลองตั้งใจแบบนี้แล้วก็ลองทําตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้เนาะก็พระพุทธเจ้า ก, ก็บอกเอาไว้ว่าทําแบบนี้คิดแบบนี้เนาะลองเขาเรียกว่าปรับความเห็นของเราให้ถูกต้องแบบนี้ตรงเนี้ยเนะาะพระพุทธเจ้าก็บอกให้ทั้งหมดนะว่าถ้าพวกเราเนี่ยอยากที่จะไปถึงจุดที่ไม่ทุกเนี่ยเราจะทํำยังไงไม่ต้องคิดเนาะทําตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกได้ครบถ้วนหมดแล้วเนาะอย่างนั้นครบถ้วนหมด เราจะมีอาชีพแบบไหนเราจะดำเนินชีวิตประจําวันยังไงเราจะเจริญสติแบบไหนเราจะเจริญสมาธิแบบไหนกันตรงเนี้ยน้องก็พระเจ้าเนี่ยได้บอกรายละเอียดทุกอย่างนั่นนั่นคือถ้าพวกเราเนี่ยปรารถนาปรารถนาที่จะไปถึงที่สุดเนี่ยของกองทุกขของเรานะไปให้มันพ้นจากทุกไม่ใช่แค่พ้นอย่างเดียวนะไปให้ถึงจุดที่มันไม่มีทุกขที่จะมาคล้องแวเนี่ยตรงเนี้ยเราทําตามเลย แล้วก็ถ้าเราทําตามเลยเนี่ยหนูงพ่อมเขียนเคยบอกนะครั้งที่หนูงพ่อมเขียนไปอเมริกานะก็สบายๆนะถือตั๋วขึ้นเครื่องบินพอถือตั๋วขึ้นเครื่องบินก็ไม่ต้องคอยถามเขาว่าเมื่อไหรจะถึงอะไรยังไงพอถึงเครื่องบินจอดเราก็ลงตามปกติตรงนั้นไม่ต้องดิ้นหลดอะไรตรงนี้ก็คือการที่เราขึ้นบนเส้นทางที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ย พอเราเดินบนเส้นทางนั้นทําตัวแบบนั้นเนี่ยเนาะอย่างนั้นท้ายที่สุดเนี่ยชีวิตเราก็จะเลื่อนไปเนาะเลื่อนไปจนกระทั่งถึงจุดที่เรียกว่าไม่มีทุกตรงนั้นเองแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเราเองก็มีนิสัยเนาะเขาเรียกว่ามีนิสัยประจําตัวอยู่อันนึ่งเขาเรียกว่าชอบเอาทุกเอาสุขนิสัยตรงเนี้มันเป็นนิสัยที่ฝังอยู่กับตัวเรามานานนั่นก็คือการที่จะเปลี่ยนนิสัย ก็เป็นเรื่องยากเนาะเหมือนกับคนติดบุหรี่เนาะใช่ไหมอยู่นั้นหรือว่าติดสิ่งเสพติดอะไรก็ตามติดละครก็ดีติดการอ่านหนังสือก็ดีติดนู่นติดนี่อะไรก็ดีเงี้ยการที่เราจะเลิกตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องเห็นเนาะว่าการติดตรงนั้นมันเป็นอันตรายติดตรงนั้นนะมันเป็นเรื่องที่ทําให้เราเนี่ยวนๆ เ, เวียนๆเนาะซ้าๆ ซ, ซ, ซากๆอยู่กับทุกข์อยู่กับสุข เราเราเองก็จะหาโอกาสที่เหมือนกับเขาเรียกว่าเปลี่ยนนิสัยตรงนั้นตรงเนี้ยให้พวกเราได้เห็นเนาะนิสัยของเราเนี่ยนิสัยเดิมเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าทำตามอยากนิสัยที่ทำตามอยากเนี่ยเราลองสังเกตดูท้ายสุดเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือทุกขก็คือสุขแต่คนีว่าเรามีนิสัยอีกอันหนึ่งเนาะที่เราจะต้องปรับเนาะ หลวงพ่อเทียนก็บอกว่านิสัยที่จะกลับมารู้สึกตัวนิสัยตรงเนี้เขาเรียกว่าเป็นนิสัยที่ไม่เอาทุกข์ไม่เอาสุขแบบที่หลวงพ่อเขียนบอกพอไม่เอาทุกข์ไม่เอาสุขเนี่ยเราก็อยู่กลางๆอยู่ระหว่างทุกข์อยู่ระหว่างสุขไม่เกี่ยวข้องกับทุกข์ไม่เกี่ยวข้องกับสุขตรงเนี้เป็นทางที่เราไม่ไปเขาเรียกว่าไม่ไปยุ่งกับทุกข์กับสุขจะเรียกทางสายกลางก็ได้เนาะอย่างนั้นนั่นนั่นคือตรงเนี้นะเป็นสิ่งที่สําคัญมาก พวกเราอยากเดินกันไหมถ้าพวกเราอยากเดินก็ทําตามที่หลวงพ่อเทียนแนะนําทําตามที่หลวงพ่อคำเกียนแนะนําทําตามที่ครูบาอาจารย์แนะนํา <c oughs> ก็คือลองหักนิสัยที่จะกลับมารู้สึกตัวกันตรงเนี้นิสัยที่จะกลับมารู้สึกตัวเนี่ยก็เรียกว่ามันจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเราเปลี่ยนจิตที่เราเคยเนาะเคยมีนิสัยของจิตเนี่ยเอาทุกข์เอาสุขเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นนิสัยที่ไม่เอาทุกข์ไม่เอาสุข ตนี้สําคัญจิตใจที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็เหมือนกับอย่างตัวอย่างเนาะที่เป็นตัวอย่างคลาสสิกในเรียกว่าในครั้งพุทธ ก, การก็คืออย่างองค์คุลีมานเนาะทําบาปทํากรรมใช่ไหมฮะอย่างเนี้ยเนาะทำบาปทํากรรมพระเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วใช่ไหมหยุดพระเจ้าบอกเราหยุดแล้วองค์คุลิมานก็งงๆพระเจ้าหยุดอะไรพระเจ้าก็เฉลยให้ว่า เราหยุดก่อกรรมทำเข็นเนี่ยการหยุดก่อกรรมทำเข็นเนี่ยหมายถึงว่าจิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนาะใช่ไหมจิตเปลี่ยนไปการที่เราจะหาประโยชน์ส่วนตัวการที่อะไรการที่เราจะหาทุกข์หาสุขอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นจิตจิตหนึ่งแต่จิตอีกจิตหนึ่งที่ไม่เอาทุกข์ไม่เอาสุขอย่างที่พระเจ้าในยกตัวอย่างให้องค์ุลิมานฟังตรงนั้นนะเป็นจิตที่พระเจ้าเองเมื่อก่อนก็เหมือนกัน เมื่อก่อนเป็นเจ้าพญามาหากรัตย์เนาะก็เอาทุกเอาสุขแบบนั้นแต่พอพระเจ้าเนี่ยได้เขาเรียกว่าฝึกจิตของตัวเองจนกระทั่งจิตเปลี่ยนไปตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมาจิตเนี่ยที่กลับมารู้สึกเนาะรู้สึกตัวตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สาคัญที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยได้เหมือนกับเขาเรียกว่าได้ย่อประสบการณ์ชีวิตเนาะของการที่เหมือนกับหา วิธีการที่ทํำยังไงที่จะทําให้ชีวิตเนี่ยได้เหมือนกับไม่จมทุกข์ไม่จมสุขเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธอะไรอย่างที่มั่วหานประจารย์ส ง, งสิตเล่าให้ฟังใช่ไหมฮะอย่างนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเองเนี่ยก็ทุกวันนี้เรานั่งไม่ใช่ทุกวันนี้เดี๋ยวนี้เนาะพวกเรานั่งอยู่ในวัดวัดป่าสุกโตทั้งเรียกว่าเป็นวัดสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อมเขียนก็เหมือนกับ ประมาณพระอาจารย์สงสินก็เล่าให้ฟังนะว่าหลวงพ่อเทียนก็สอนหลวงพ่อมเขียนหลวงพ่อมเขียนก็ถามหลวงพ่อเทียนมาวิธีการของหลวงพ่อเทียนเนี่ยทาได้จริงไหมเนี่ยทําได้ทุกคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นเองก็ถึงวันนี้ก็เป็นคํายืนยันนะว่าทําได้ไหมเพราะเนื่องจากว่าสิ่งที่หลวงพ่อมเขียนหลวงพ่อก็จะบอกบอกว่าหลวงพ่อมเขียนสอนเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอน ถามว่าหลวงพ่อเทียนเป็นยังไงหลวงพ่ออมเขียนก็บอกว่าก็ทุกวันนี้ก็หลวงพ่อก็เหมือนกับเป็นเหมือนกับหลวงพ่อเทียนเนาะคำว่าเป็นเหมือนกับหลวงพ่อเทียนก็เหมือนกับก็สิ่งที่เป็นเขาไม่ได้หมายถึงรูปร่างหรือว่าเป็นอะไรยังไงแต่ว่าสิ่งที่เป็นก็หมายถึงว่าหลวงพ่ออมเขียนก็ได้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเหมือนอย่างที่หลวงพ่อเทียนได้ปรับเปลี่ยนจิตใจของตัวเอง นั่นนั่นคือตรงเนี้ว่าพวกเราทําตามแนวทางเนาะเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวตรงเนี้ยคําว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะมีความหมายสําคัญตรงที่ว่าในเมื่อเราอาศัยกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเนาะอย่างนั้นเป็นหลักเนี่ยแต่ว่าทําทางเดียวกันเนี่ยก็จะบอกบอกว่าโอ้เนาะเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้นะเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าพอเริ่มต้นกรรมฐานของ หลวงพ่อเทียนปุ๊บเนี่ยราจะพูดบอกว่าเอาสติเนาะคอยสังเกตกายที่เคลื่อนไหวเอาสติคอยสังเกตใจที่รับรู้เราจะมีสิ่งหนึ่งไม่ใช่มีสิ่งหนึ่งมีสมสิ่งเนี่ยที่เราเอามาใช้กับกรรมฐานมีสติคอยสังเกตความเป็นไปของกายแล้วก็มีสติคอยสังเกตความเป็นไปของใจเราเนี่ยเริ่มกรรมฐานด้วยการใช้อุปกรณ์3ส่วนเนาะมีสติมีกายมีใจ ตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเขียนก็ยืนยันบอกว่าเรามีอุปกรณ์ในการทำกรรมฐานเนี่ยพร้อมแล้วนะคือมีกายมีใจมีสติสมอย่างแล้วก็ตรงนี้หละเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่เคยได้เอาทั้งสมอย่างเนี่ยมาทำงานด้วยกันเราเนี่ยก็เกิดมาเนาะมีชีวิตมีจิตใจมีสติอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อาจจะดาเนินชีวิตไปโดยที่ขาดสติเนี่ยเยอะมากๆ หรือดมเทินชีวิตไปตามกายทำไปแกนแกนกายไปทางหนึ่งใจไปทางหนึ่งเราก็รู้อยู่เราก็เคยพูดกันอยู่นั่นนั่นคือตรงเนี้ยว่านี่คือเราหัดเนาะเรียก่าการเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเราเนี่ยหัดเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวแล้วก็หัดที่จะให้สติเนาะให้กายให้ใจเนี่ยทำงานไปด้วยกันตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่จะแปลกใหม่สำหรับพวกเราเนาะ จะเป็นสิ่งที่เป็นความไม่เคยชินแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทำได้บ้างทาไม่ได้บ้างแต่พระตรงนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเขียนบอกว่ากรรมฐานการเจริญสติเนี่ยไม่ใช่เพราะทำได้ถึงทำไม่ใช่เพราะทำไม่ได้ถึงไม่ทำแต่ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพราะว่าจำเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่อยากจมทุกข์จมสุขเนี่ยนะเพร่ะเราอยากที่จะไม่มีทุกข์เนี่ย พวกเราเนี่ยต้องทําแบบนี้แต่ความอยากตรงนั้นอะ่ะไม่พอเพราะเนื่องจากว่าให้พวกเราได้รู้ว่าการเกิดมาเป็นคนของพวกเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโอกาสทองเนาะเป็นโอกาสทองจริงๆเนื่องจากว่ามูมากาไก่เนี่ยไม่สามารถที่จะเจริญสติได้เนาะแล้วก็พระเจ้าเองก็เคยบอกเอาไว้นะว่าเหมือนกับว่าโอกาสที่มูมากาไก่เนี่ยจะเกิดมาเป็นคนอีกครั้งนึงเนี่ยก็ยากนะ เพราะเนื่องจากว่าโอกาสโอกาสไม่มีเพราะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่สามารถพัฒนาจิตใจได้เหมือนเรานน่นนั่นคือการที่เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวเนาะที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนจิตใจของเราพัฒนาจิตใจของเราจากการที่เราจมทุกข์จมสุขอยู่เนาะด้วยวิธีการอย่างที่หลวงพ่อเทียนสรุปไพ่นี่แหละเนเมื่อคืนนี้ พระอาจารย์ทรงศิลก็บอกนะหลวงพ่อเทียนใช้เวลาสองวันแต่ว่าสองวันตรงนั้นก็เป็นสองวันที่จริงๆเป็นการสองวันที่ถูกทางเนาะแต่ว่าอีกหลายๆวันที่ตั้งแต่หนุ่มเนาะจนกระทั่งถึงวันที่หลวงพระเทียนเขาใจทำเนี่ยหุวงพระเทียนก็สแสวงหามาตลอดนั้นนั่นคือตรงนี้หุวงพระเทียนก็ไม่อยากให้พวกเราเนี่ยได้เหมือนกับลงทิศผิดทางกันหลวงพอ่อเขียนยืนยันตลอดมานะหนุวงพ่อ ไม่ผ่าพวกเราหลงที่ปิดทางแน่นอนความรู้สึกตัวตรงนี้จะปรับเปลี่ยนเนาะเรียกว่าปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนจิตใจของเราได้จิตใจของเราที่เคยถูกความอยากครอบงาเนี่ยจะเป็นจิตใจที่เป็นอิสระอิสระจากความอยากเนาะตรงนี้เป็นสำคัญเพราะเนื่องจากว่าถ้าชีวิตเราดำเนินไปตามความอยากท้ายสุดเราก็จมทุกข์จมสุขไปแต่ถ้าากว่าจิตใจของเราเป็นอิสระแล้วเนี่ย ตรงนี้เนี่ยจิตใจที่เรียกว่าบริสุทธิ์ผ่องแผ้เนี่ยก็จะเขาเรียกว่าดูแลกายนี้ใจนี้เนาะกายกับใจทํางานด้วยกันนั่นนั่นคือการเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้สะสมนะคุณงามความดีนะการสะสมคุณงามความดีตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเป็นประโยชน์กับโลกเป็นประโยชน์กับสังคมเนาะท้ายสุดชีวิตเราก็จะไปถึงที่สุดนะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้ อยากที่จะทํานั้นอยากที่จะทํานี่ทำไม่เสร็จในชาตินี้เนาะก็เกิดไปชาติหน้าก็อยากทําสิ่งนั้นต่อไปอะไรนตาตานาเหล่านี้ยี้ตรงนั้นก็ทําให้เราวนวนเวียนเวียนเนาะวนเวียนไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติเดียวแต่ว่าวนเวียนไปไม่รู้กี่พบกี่ชาติกันแต่ว่าถ้าพวกเราเดินบนเส้นตรงเนี่ยใช่ไหมถึงที่สุดแล้วเนาะมันก็จบไปแล้วใช่ไหมฮะอย่างนั้นจบไปแล้วมันก็ไม่รู้จะมีอะไรต่ออีกเพนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ เราเริ่มต้นที่นี่นะเราเริ่มต้นที่ความรู้สึกตัวอาศัยกายที่เคลื่อนไหวเนาะเอาใจมาคอยรับรู้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เข า, เ ร, าเรียกว่าเราจะค่อยๆเข า, เ ร, าเรียกว่ามองเห็นเนาะชีวิตเนี่ยอย่างถูกต้องเห็นกายนี้ใจนี้เนี่ยอย่างถูกต้องที่ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิกายนี้ไม่ใช่ของเราใจนี้ไม่ใช่ของเราเนาะกายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์ กายนี้ไม่มีตัวตนใจนี้ไม่เที่ยงใจนี้เป็นทุกข์ใจนี้ไม่มีตัวตนสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกเอาไว้เราจะเห็นได้ยังไงก็ต้องเห็นได้จากความรู้สึกตัวตรงนี้ละเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาศัยตาเนาะสำหรับการมองเห็นมืดก็ไม่เห็นสว่างก็เห็นตาดีก็เห็นตาไม่ดีก็ต้องใส่แว่นตาเอาอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยการเห็นแบบนั้นไม่ใช่มาเป็นการที่ทาให้เราได้เห็น กายของเราใจของเราตามความเป็นจริงแต่เราจะอาศัยความรู้สึกตัวหลวงพ่อเขียนเรียกความรู้สึกตัวว่าตาวิเศษเนาะหรือว่าถ้าหากว่าพวกเราอาจจะได้เาเรียกได้ยินสับทั้งธรรมนะมีดวงตาเอาไว้เห็นธรรมสติะ่ะก็เป็นดวงตาที่เอาไว้เห็นธรรมธรรมตรงไหนก็คือธรรม ท, ที่เป็นเรื่องของกายนี้ใจนี้นี่หละที่จะแสดงธรรมให้เราเห็นตลอดเวลา แต่ว่าทำของกายก็ทำของใจมันก็เป็นคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นนึงคือที่หลวงพ่อเทียนแยกเอาไว้แต่แรกว่าดูกายที่เคลื่อนไหวเนาะเอาใจมาค่อยรับรู้ดูกายที่เคลื่อนไหวค่อยดูใจที่คิดนึกตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยค่อยๆหัดนะหัดดวงตาเอาไว้เห็นธรรมเห็นกายเห็นใจไปพร้อมๆกันแต่เราจะเริ่มต้นที่กายก่อนเพราะเนื่องจากว่ามันก็เห็นง่ายนะเน้นใจเนี่ย ใช่ไหมพอกายเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยเนาะก็เหมือนกับเราเนาะไปเขย่าต้นไม้ถ้าหากว่า น, นกมันเกาะอยู่บนต้นไม้เราอาจจะมองไม่เห็นเนาะแต่พอเวลาเราเขย่าต้นไม้ปุ๊บนกมันก็แตกหือขึ้นมาใจเราก็เหมือนกันแบบนั้นนั่นนั้นคือตรงเนี้ยมาในขณะที่เราสร้างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยใจเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าขยับตัวเนาะขยับตามสิ่งที่เขาเรียกว่าทนไม่ได้เมื่อก่อนพอเราทนไม่ได้เราก็ปรับเปลี่ยนเนาะ แต่ค่นี้ว่าทนไม่ได้ของเราเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้แยกมามันเป็นเรื่องของกายทนไม่ได้หรือมันเป็นเรื่องของใจที่ทนไม่ได้นั่นนั่นคือตรงเนี้ยพอเวลาที่เราเริ่มทากรรมฐานเนี่ยเราเริ่มแยกเนาะอ๋อนี่เป็นเรื่องของกายที่ทนไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของใจที่ทนไม่ได้อะไรเงี้ยพอเราแยกแยะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอืมเราก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียกว่ากายนี้ใจนี้เนี่ยได้ถูกต้อง เราจะเห็นความจริงของกายนี้ใจนี้เนี่ยได้ถูกต้องขึ้นตรงนั้นะ่ะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่านี่คือเรามีดวงตาเอาไว้เห็นธรรมเมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลเนาะของกายนี้ใจนี้เมื่อมีข้อมูลของกายนี้ใจนี้เราก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกายนี้ใจนี้เนี่ยได้ถูกต้องขึ้นเมื่อก่อนเนาะเราก็มีชีวิตไปทํามสัญญาณเนาะหิวก็กินเนาะว่งก็นอนบูมากไก่ก็เหมือนกัน เขาก็มีความว่วงมีความหิวเหมือนกันไม่ต่างกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือเขาไม่มีดวงตาที่จะเอาไว้เห็นธรรมนั่นนั่นคือดวงตาที่เห็นธรรมเนี่ยจะเป็นเราเรียกว่าสติก็ได้เรียกว่าความรู้สึกตัวก็ได้จะเรียกว่าตาพิเศษก็ได้แต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยเราไม่เคยใช้กันเมื่อไม่เคยใช้กันเราก็จาเป็นนี่ต้องมาหัดเนาะหัดเจริญสติกันเพื่อให้เรามีนิสัยที่จะเอาเนี่ยดวงตาเนี่ยมาคอยดู ทำที่อยู่ในตัวเราไม่ใช่เอาดวงตานี้คอยดูสิ่งรอบๆตัวเนาะจะดูต้นไม้ก็ดีจะดูหมาหมูหมากาไก่ดูพระอาทิตย์ประจันอะไรก็แล้วแต่ตัวนั้นก็เราก็มีเอาไว้ดูอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งพวกนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเป็นสาระสําคัญที่พวกเราจะได้ดูกันแต่ถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยฝึกเนาะในขณะที่เราเห็นเนาะใช่ไหมตาเห็นเนี่ยใจเราเป็นยังไง ในขณะที่หูได้ยินใจเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงก็คือตรงนี้เนี่ยความรู้สึกจะบอกได้ตาพิเศษจะมองเห็นความรู้สึกตัวจะบอกได้ตาพิเศษจะมองเห็นตรงนี้พวกเรามีนิสัยแบบนี้กันแล้วหรือยังถ้าพวกเรามีนิสัยแบบนี้เนี่ยเราก็จะรวบรวมข้อมูลความเป็นไปของกายความเป็นไปของใจได้เขาเรียกว่ามากขึ้นมากขึ้นตามลาดับถึงวันนึงอ๋อเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อนี่ กายก็เป็นอย่างนี้ใจก็เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าพวกเราเข้าใจความเป็นไปของกายเข้าใจความเป็นไปของใจตรงเนี้ยเราก็จะเ้าเรียกว่ามีข้อมูลเนาะมีข้อมูลที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าตามความเป็นจริงเนาะเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงเราก็จะมีความคิดได้เนาะอนี้เราเนาะ ย, ยืมกายยืมใจนี้มาใช้ ยืมเข้ามาใช้เมื่อไหร่จะต้องคืนเขาก็ไม่รู้นั่นนั่นคือเมื่อเรามีกายมีใจอันนี้เราจะเอากายเอาใจนี้ไปใช้อย่างไรดีนั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยก็อเอามาใช้เพื่ออะไรเอามาใช้เพื่อมีโอกาสทองแบบนี้เนาะก็ต้องเอามาใช้ให้พวกเราเนี่ยอาศัยกายนี้ใจนี้เนี่ยลองนะไม่ใช่ลองหมายถึงวา่าอาศัยกายนี้ใจนี้ไปให้ถึงที่สุดของกองทุกนี่ละนั่นนั่นคือตรงนี้นะแล้วเราจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไง เราก็ต้องทำอย่างที่พระธเจ้าบอกเนาะหาการงานที่ทำในชีวิตประจำวันเนาะใช่อย่างนี้เราเอาทำนำหน้าทุกวันนี้ละ เ, เอาทุกเอาสุขนำหน้าเนาะเราก็ต้องตามทุกตามสุขไปถ้าเราเอาทำนำหน้าเราก็จะเดือดตามทําไปแล้วเราจะมีอาชีพแบบไหนเนาะเราจะทำสมาธิแบบไหนเราจะมีสติแบบไหนอะไรต่างๆน า, นานาเหล่านี้เราจะมีความเพียรแบบไหนตรงนี้นะก็จะเป็นสิ่งที่พอเราเนาะก็เรียกว่า เริ่มต้นอย่างถูกต้องเริ่มต้นเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเราก็จะปรับความคิดของเรามีความมั่นคงเนาะในความคิดของเราว่าขอเรานะให้เป็นคนหนึ่งให้ไปถึงที่สุดให้ได้ยตรงเนี้ยนะมันก็จะก็เรียกว่าพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองเห็นนะว่าผลละมัทุกอย่างเนี่ยก็จะพาพวกเราเนี่ยเดินไปบนเส้นตรงในทันทีเลิกเดินบนเดิ น, บนเนบียนกันเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยอยากให้พวกเราเนี่ย ได้ก็เรียกว่าเริ่มต้นเนาะอย่างที่หลวงพ่อเทียนก็ดีบอกไว้หลวงพ่อคำเขียนก็ดีบอกไว้ครูบาอาจารย์บอกไว้ตรงเนี้เริ่มต้นจากความรู้สึกตัวและทุกอย่างเนี่ยจะดําเนินไปจากต้นสายจนกระทั่งจบตรงปลายเหตุนั่นนั้นคือตรงเนี้ก็ขอให้ความปรารถนาที่ดีงามของพวกเราทุกคนเนาะก็ให้พวกเราได้พาตัวเองเนี่ยไปถึงที่สุดเนาะของความทุกข์กัน ทุกคนทุกท่านก็กราบพระพร้อมกัน